จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษั์อุบาศกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันสุขร์ที่ส0บสิงหาคมพุทธศักราชสอง5ันห้เป็นวันพระวันธรรมสวรรวันฟังธรรม วันที่สาธุชนพุทธบรยสัตว์ได้ตั้งใจมาทำหน้าที่ของพุทธบริษัตทคือของพุทธศาสนิกชนผู้ที่มีศรัทธามีความเนื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้ที่มีพระพุทธพธรรมพระสงฆ์เป็นสระนเป็นที่พึ่งทางใจหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับ พุทธบริษ oh ัทก็คือ 1. การทำบุญ 2. การละบาป่า 3. การชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ท่องทรงบัญญัติควันพระขึ้นมาเพื่อที่จะให้พุทธบริษัทได้ปล่อยวางภารกิจอื่นๆทั้งหลายแล้วมาทำภารกิจของชาวพุทธ ก็ เ, เป็นภารกับภารกิจที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตสำหรับจิตใจจิตใจจ ะ, จะเจริญร่วงเรืองหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เพราะการปฏิบัติกิจในพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นภารกิจอย่างอื่นนั้นเป็นภารกิจของร่างกายและเป็นภารกิจของกิเลสตัณหาส่วนภารกิจทางใจนี้ ต้องเป็นภารกิจที่พระพุทธเจ้าได้สอนสให้ปฏิบัติในชีวิตของเราเราก็จะทำภารกิจทั้ง3ประการนี้ส่วนหน้ที่เราทำกันทุกคนก็คือภารกิจทางร่างกายคือทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพอเรามีเงินทองเหลือเราก็มาทำภารกิจให้กับกิเลสตัณหา ตังหาก็คือความอยากดิเลก็คือความโลภไม่พอใจกับสภาพที่มีอยู่เป็นอยู่ก็อยากจะมีเพิ่มมากขึ้นไปก็เลยทำอะไรต่างๆเพื่อให้ได้สิ่งที่ปรารถนาตามความปรารถนาของความโลภของความอยากการกระทำแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจ แต่จะเป็นโทษกับจิตใจเพราะกิเลสตัณหานี้เปรียบเหมือนเชื้อโรคของจิตใจนั่นเองแล้วโรคของจิตใจก็โรคของความทุกข์ใจความว้าวุ่นใจความวิตกกังวลความห่วงใยความหวาดกลัวความเศร้าเสศเสียใจต่างๆางนี้เป็นโรคของใจที่เกิดจาก ความโลภความอยากนี่คือภาระหน้าที่ที่เราไม่ควรจะกระทำเราควรที่จะตัดความโลภความอยากถ้าเราตัดได้มากน้อยเพียงไรต้นเหตุของความทุกข์ใจต่างๆก็จะน้อยลงไปเท่านั้นส่วนภารกิจส่วนที่สาม เป็นภารกิจที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเรากับปฏิบัติกันน้อยมากคือการทำบุญณะบาปชำระให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ภารกิจนี้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติวันพระขึ้นมาก็อาจจะไม่มีญาติโยมมาเข้าวัดกันก็ได้นอกจากญาติโยม ที่มีศรัทธาแรงกล้ามีความทราบซึ้งในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความดื่นดือต่อการทำบุญต่อการละ บ, บาปต่อการชำระใจให้สะอาบดบริสุทธิ์ถึงจะมาวัดกันนอกจากนั้นแล้วถ้ามาก็มาด้วยสาเหตุตา่ตางๆเช่นมาเพราะเป็นวันเกิดบ้างมาเพราะเป็นวันตาย ของบิดามารดาบ้ามาเพราะบิดามารดาเจ็บไข้ได้ป่วยบ้านสาเหตุเหล่านี้พาให้บุคคลต่างๆเข้าวัดกันแต่จะไม่เพียงพอต่อการดูแลรักษาจิตใจให้หายจากโรคทางใจคือหายจากความทุกข์ใจต่างๆ ถ้าอยากจะให้หายจากอย่างปิดทิ้งจากโรคทางใจก็ต้องรักษาเต็มที่ถ้าเป็นคนไข้ก็ต้องไปเข้าโรงพยาบาลรักษาที่บ้านนี้ไม่สามารถรักษาให้โรคให้หายขาดได้เพราะขาดเครื่องไม้เครื่องมือขาดหมอขาดพยาบาลที่จะคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์จึงมักจะต้องออกบวชกันการออกบวชนี้แลเป็นการเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคใจรักษาความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจดังที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวลกทั้งหลายได้ทำมาแล้วเป็นตัวอย่าง พระพุทธเจ้าก็ส่งเข้าโรงพยาบาลที่ตั้งของโรงพยาบาลรักษาโรคใจก็คือสถานที่สงบสงัดวิเวิวเวเช่นตามป่าตามเขาเป็นที่นักษาใจได้อย่างดีเพราะสิ่งที่จิตใจต้องการก็คือความสงบนี้เองความสงบนี้เป็นธรรมะโอสถเป็นยารักษาโรคใจ ถ้าไม่มีสถานที่ที่สงบการจะทำใจให้สงบนี้จะเป็นไปได้ยากมากเพราะจะมีอุปสรรคคือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาคอยเขยา่ามาคอยทำให้ใจไม่สงบผู้ที่ปรารถนาที่จะได้พบกับความสงบของใจจึงจาเป็นจะต้องผปลีกวิเว้ ไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดห่างไกลจากแสงสีเสียงที่คอยยั่วยวนกวนใจไม่มีวันหมดสิ้นไม่มีวันหยุดไม่มีวันหย่อนผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์จึงปรีกวิเวกัน <c oughs> เช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายในสมัยพระพุทธกาลนี้ ถ้าพิกษุน์หลังจากที่บวชแล้วได้รับการอบรมสั่งสอนแล้วก็จะไปเปกีวิเวกกันตามสถานที่สงบสงัดเพื่อที่จะได้ชำระใจให้สะอาดโอยสุดเมื่อใจสะอาดรอยสุดแล้วก็ได้พบที่พึ่งของตนเองและได้เป็นที่พึ่งของผู้อื่นต่อไป ถ้าเราอยากที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องตั้งเป้าไปที่การปฏิบัติอย่างเต็มที่ในเรื่องต้นเราเอาวันละอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก่อนก็ได้เช่นทุกวันพระเราจะมาอยู่วัดมาทำบุญมาละบาแล้วก็มาชำระใจให้สะอาดบอยสุทําบุญก็อย่างที่เราได้ทากันในวันนี้ มีปัจจัยเงินทองที่มากตกนไปที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดูแลรักษาร่างกายก็เอามาทาบุญถ้าไม่เอามาทาบุญเดี๋ยวกิเลสจะมาเอาไปเดี๋ยวตันหาความอยากจะมาเอาไปแทนเช่นอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปดื่มสุรา อยากจะไปเล่นการทนอยากจะซื้อข้าวซื้อของที่พุ่มเฟือยต่างๆที่ไม่จำเป็นถ้ามีเงินทองเดี๋ยวกิเลสก็จะมาลากคอไปมาหลอกมาลอ่าล อ, าลอให้ไปจนได้เพราะเวลามีเงินทองอยู่ในกระเป๋าแล้วมันร้อนต้องเอาไปใช้มนก่อนมันจะได้เย็นแต่มันเย็นไม่นานมันเย็นเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวพอมีเงินทองเหลือใช้ก็อยากจะไปซื้อดังนั้นวิธีที่เราจะแก้ปัญหานี้ก็คือทุกครั้งที่เรามีความอยากที่จะใช้เงินใช้ทองไปกับความโลภความอยากต่างๆก็ให้เอามาทําบุญจะทําบุญที่วัดก็ได้ทําที่โรงเรียนก็ได้ทําที่โรงพยาบาลก็ได้ทําที่ ที่สาธารนะณกุศลต่างๆก็ได้ขอให้เราบ่อยวางปลดเปลื้องความผูกพันกับเงินทองที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยใช้ถ้ามีความจำเป็นต้องเก็บเอาไว้ก็เก็บเอาไว้แต่ถ้ามันมีมากจนไม่รู้จะทำอะไรก็อย่าเอาไปใช้กับติเลตตังหา ความโลภความอยากต่างๆอย่างที่เราเห็นกันคนเราใช้เงินใช้ทองส่วนใหญ่นี้ไปกับการเลี้ยงดูกิเลสตัณหามากกว่าดูแลร่างกายและจิตใจของเราเลี้ยงดูกิเลสตัณหาด้วยการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปซื้อข้าวของฟุ่มเฟือยต่างๆแล้วก็มาเป็นภาระ ต้องมาคอยบูแลรักษาถ้าเอาเงินไปทำบุญไปช่วยเหลือผู้อื่นผู้อื่นก็จะได้รับความสุขได้รับประโยชน์จากเงินทองของเราแล้วเราก็จะได้ความสุขใจความสงบใจเพราะจะไม่มีกิเลสมาคอยรบกวนมาชวนให้เอาเงินไปซื้อข้าว ข, ของต่างๆเพราะไม่มีเงินจะซื้อแล้วนั่นเอง เมื่อเราได้ทำบุญด้วยความปรารถนาดีต่อผู้อื่นด้วยความสงสารต่อผู้อื่นใจของเราก็จะไม่ชอบทำบาปเราก็จะสามารถทำกิจกรรมข้อที่สองได้ <c oughs> ก็คือละเ้นจากการทำบาปเช่นเรามาสมาทานศีลห้ากัน วารักษาศีลหกันหรือบางท่านก็รักษาศีลแปอย่างนี้เรียกว่าเป็นการละบาปละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤตผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปลดละเว้นจากการเสพสุร้ายยาที่เป็นการกระทําที่จะทํา ให้จิตใจวุ่นวายจิตใจไม่สงบเพื่อที่จะได้เป็นฐานของการชำระจิตใจต่อไปถ้ายังไม่ได้ทำบุญยังไม่ละบาจะรักษาชำระจิตใจได้ยากเพราะไม่มีกำลังสนับสนุนนั่นเองใจก็ยังจะภาวะโพวนกับเรื่องการ จะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปซื้อข้าวซื้อของจะใช้เงินใช้ทองที่ได้มาแล้วก็พอหมดก็จะต้องไปเสียเวลากับการหาเงินหาทองมาใช้เวลาที่จะมาชำระจิตใจก็จะไม่มียังไม่สามารถที่จะชำระจิตใจได้แต่ถ้าเราทำบุญให้ฐานอยู่เรื่อยๆ ต่อไปความอยากที่จะใช้เงินใช้ทองก็จะน้อยลงไปความจำเป็นที่ต้องหาเงินหาทองก็จะมีน้อยลงไปเราก็จะมีเวลาที่จะมาละบาปมาทำบุญให้มาปฏิบัติธรรมมาชำระใจให้สะอาดได้มาถือสิ่งแปดได้เพราะผู้ที่จะปฏิบัติธรรมนั้น จำเป็นจะต้องถือสีนแปเพราะสีห้านี้ไม่มีกำลังพอเหมือนกับรถขึ้นเขาต้องเปลี่ยนเกียร์ต่ำต้องเข้าเกียร์ต่ำเกียร์ห้านี้เป็นเหมือนเกียร์สูงเช่นเกียร์สี่เวลาขึ้นเขานี้จะไม่มีแรงขึ้นเขาเวลาจะขึ้นเขาต้องเปลี่ยนลงมาที่เกียร์สามหรือเกียร์สองและถ้าชันมากๆก็ต้องเข้าเกียร์หนึ่งผู้ที่จะ ปฏิบัติธรรมชำระจิตใจให้สะอาดจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนเกียร์ขั้นต้นก็ให้รักษาศิ้แปไปก่อนรักษาศิ้แปก็จะไม่สามารถร่วมหลับนอนกับผู้อื่นได้ก็จะตัดเวลาที่จะไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นนี้ไปเวลาที่จะมานั่งสมาธิก็จะมีมากขึ้น แล้วก็ตัดเรื่องการรับประทานอาหารหลังจากเชี่ยงวันไปแล้วก็จะมีเวลาไม่ต้องมากังวลกับการหาข้าวรับประทานในตอนเย็นตอนค่ำหรือตอนดึกเพราะผู้ที่ทสือ้อสินห้านี้ไม่มีข้อห้ามเรื่องการรับประทานอาหารจะรับประทานวันละกี่มื้อก็ได้จะรับประทานตอนไหนก็ได้ ก็จะมาวุ่นวายมาวิตกมาขวนขวายกับการหาอาหารหาสิ่งต่างๆมารับประทานใจก็จะไม่มีเวลาไปนั่งสมาธิไปฟังเทศน์ฟังธรรมนี่คือการรักษาสิงแปลกเพื่อสนับสนุนการภาวนาแล้วถ้าเรายังอยากจะภาวนาให้เข้มข้นยิ่งกว่านี้ เราก็ต้องเปลี่ยนจากการถือสิ่งคือข้อหนี้คือไม่รับประทานหลังเที่ยงวันไปแล้วมาเป็นรับประทานเพียงมื้อเดียวนี่เรียกว่าเป็นทุ่งดวงเขวัดอันนี้ก็ยิ่งจะทำให้การปฏิบัติของเราเข้มข้นยิ่งขึ้นมีกำลังมากขึ้นทุ่ดงดวงเวัดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบหมายให้แก่ผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็น าขาลวะญาติโยหรือบังประชิดก็เป็นเหมือนเกียร์ต่ำที่จะมีไว้ใช้สำหรับขึ้นเขาหรือเวลารถตกลงต ก, ตกลงถ้ามีเกียร์ต่ำก็จะสามารถช่วยดึงให้รถออกจากหลงได้สามารถขึ้นเขาสูงๆได้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมมักจะขยับ เปลี่ยนเกียร์ไปเรื่อยเรื่อเื้องต้นก็ถือสียแปบต่อมาก็จะรับประทานนึ่อเดียวแล้วต่อมาถ้ายังรู้สึกว่ายัางไม่พอบางท่านก็จะรับประทานอาหารส4มสี่วันจึงค่อยรับประทานหนึ่งครั้งเพื่อที่จะได้กดดันกิเลสตัณหาต่างๆเพราะเวลาอดอาหารนี่ ปิเลตตาหาจะออกมาเพ่นพ่าความหิวส่วนใหญ่จะอยู่ที่ใจความหิว 90% า็นี้อยู่ที่ใจความหิวที่ร่างกายนี้มีเพียง10พอเราเกิดความหิวทางใจเราก็ใช้การภาวนาใช้การนั่งสมาธิดับความหิวภายใาใจได้เวลาใจเราสงบความหิว 90% ซนนี้จะหายไป เหลือความหิวที่ร่างกายเพียง 10% ซที่ไม่รู้สึกเป็นที่หน้าเดือดร้อนเลยผู้ที่ทำใจให้สงบได้นี้สามารถอดอาหารได้เป็นเวลาหลายหลายวันเช่นพระพุทธเจ้าเคยทรงอดถึง49วันด้วยกันเพราะใจไม่หิวกับความหิวของร่างกายเพียงแต่ว่า มันไม่หิวตอนที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นพอออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดปรุงแต่งกิเลสตัณหาก็จะจุดล่างให้ไปปรุงแต่งให้คิดถึงอาหารนี่ทำให้อยากจะรับประทานอาหารนี่เพราะพระพุทธเจ้าจึงทรงเหน็นว่าการอดอาหารอย่างเดียวและการนั่งสมาธิอย่างเดียวนี้ยังไม่สามารถที่จะตับกิเลสตัณหาได้ ผู้ที่ต้องการจะตัดกิเลสตัญหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารก็ต้องใช้ปัญญาอีกขั้นหนึ่งถึงจะสามารถดับความอยากในอาหารได้เช่นเวลาเกิดความอยากอาหารคิดถึงอาหารต่างๆก็ทรงสอนให้อยากไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานอยู่ในร้านร้านขายอาหารให้คิดถึงอาหารที่อยู่ในปา่า เวลาที่เคี้ยวก็ไปบดบดเคี้ยวแล้วก็ผสมกับน้ำลายแล้วลองคายออกมาใส่จานดูแล้วลองตักเข้าไปกินใหม่จะกินได้หรือเปล่าอาหารที่น่าอร่อยร่อยที่กำลังเคี้ยวกาลังกลืนอยู่นี่พอเราเห็นมันอยู่ในจานแล้วเรายังจะตักเข้าไปรับประทานได้หรือเปล่าทุกครั้งที่เกิดความอยากนึกถึงอาหาร ตอนเวลาที่เราอดอาหารหรือเกิดความหิวอยากจะรับประทานอาหารหรือขนมนมเนยต่างๆหรือเครื่องดื่มต่างๆก็ให้คิดถึงสภาพที่มันเปลี่ยนไปเวลาเข้าไปในร่างกายแล้วเวลาอยู่ในปากเป็นอย่างไรเวลาอยู่ในท้องเป็นอย่างไรเวลาออกมาจากร่างกายเป็นอย่างไรถ้าคิดอย่างนี้แล้วความอยากอาหารก็จะไม่มี แลถูกดับไปต่อไปก็จะรับประทานอาหารแบบรับประทานยาไม่ได้รับประทานด้วยความอยากแต่รับประทานด้วยความจำเป็นเช่นถึงเวลารับประทานก็รับประทานไปนอกเวลาก็จะไม่มีความรู้สึกหิวกับอาหารเลยอันนี้ทาได้ทุกคนถ้าปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน รับรองได้ว่าจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการรับประท า, านอาหารับประทานอาหารเช่นมีน้ำหนักมากต้องการลดน้ำหนักก็จะลดได้อย่างง่ายดายมีโรคภัยไข้เจ็บที่หมอจาเป็นที่หมอต้องบังคับให้ลดอาหารต่างๆก็จะลดได้อย่างง่ายดายไม่เดือดร้อนถ้าถ้ามีธรรมะอุศที่จะมารักษา ความหิวความอยากของทางจิตใจคนเราที่มีน้ำหนักเกินก็เป็นเพราะว่าไม่สามารถควบคุมกิเลสตัณหาได้นั่นเองกิเลสตัณหามีอำนาจมากกว่าจึงทำให้รับประทานอาหารมากเกินความจาเป็นแล้วแทนที่จะเป็นประโยชน์กับร่างกายกลับเป็นโทษกับร่างกายทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย และต้องเสียชีวิตไปก่อนเวลาอันสมควรเพราะอำนาจของกิเลสตัณหานี่เองพวกเราจึงควรที่จะเห็นโทษของกิเลสตัณหาอย่าไปส่งเสริมกิเลสตัณหาการส่งเสริมก็คือการทำตามกิเลสตัณหาทุกครั้งที่เราทำตามกิเลสตัณหากิเลสตัณหาก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ เคยได้คือก็อยากจะได้สอบพอได้สอบทีนี้ก็อยากจะได้วาได้ได้ได้ร้อยก็อยากจะได้พันได้พันก็อยากจะได้หมื่นได้หมื่นก็อยากจะได้แสนได้ล้านได้สิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านมันไม่มีวันสิ้นสุดความอยากนี้ยิ่งอยากมากก็ยิ่งเครียดมากเพราะต้องหามามากขึ้นนั่นเอง สมัยเราเป็นเด็กๆนี่ความอยากเรามีน้อยมากอยากจะกินขนมนมเนยก็มีพ่อแม่เอามาให้พอได้กินเสร็จก็พอใจแล้วนอนได้แล้วพอโตขึ้นนี่ขนมนมเนยไม่พอแล้วต้องมีอย่างอื่นแล้วมีเท่าไหร่ก็ไม่พอสมัยเด็กๆใช้วันใช้เงินวันละหาบาทสิบาทก็อยู่ได้เดี๋ยวนี้ใช้เงินวันละหพันบาทก็อยู่ไม่ได้ไม่พออยู่ ทั้งๆ ท, ที่ร่างกายก็เป็นร่างกายอันเดียวอาหารการกินที่จาเป็นต่อร่างกายก็ไม่มากกว่าสมัยที่เป็นเด็กๆแต่กิเลสตัณหามันจเจริญมากกว่าร่างกายตัวมันใหญ่กว่าร่างกายมากมันถึงทำให้ร่างกายต้องใหญ่ตามมันไปด้วยต้องทำให้ร่างกายกลายเป็นตุ่มตุ่มไปเพราะอำนาจของกิเลสตัณหานี่เอง ง น, นั้นเราจะไม่ควรที่จะมีเงินเหลือไว้มากจนเกินไปนอกจากเรามีวินยัยสามารถควบคุมบังคับกิเลสตัณหาได้อยากจะเก็บเอาไว้เผื่อจะใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้าก็ได้ถ้ายังไม่รู้ว่าจะเอาไปทำบุญที่ไหนดีจะเอาไปทำประโยชน์ที่ไหนดีแต่เราต้องมีความเข้มแข็ง ม, ม, มีวินัยที่จะ ฝืนความอยากความโลภต่างๆให้ได้ถ้าเราไม่มีแล้วเดี๋ยวก็ถูกความโลภความอยากนี้มาหลอกมาลอ่อเอาเงินไปใช้จนได้ดังนั้นถ้าเรายังรู้ว่าเราใจไม่เข้มแข็งพอที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาเราก็เอาเงินที่ไม่ใช้นี้เอาไปทำประโยชน์เสียตั้งแต่บัดนี้เพราะอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ เมื่อเราตายไปเงินทองที่เรามีอยู่นี้จะไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจของเราเลยแต่ถ้าเราทำก่อนที่เราตายไปเงินทองเหล่านี้จะกลายเป็นบุญบุญนี้จะเป็นผู้คอยสนับสนุนจิตใจที่จะไปเกิดต่อไปข้างหน้าตายไปก็จะไปเกิดที่ดีไปเกิดที่มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยปัจจัย4ด้วยเครื่อง บุปผะโภคบริโภคต่างๆเพราะได้ทาบุญเอาไว้ถ้าไม่ได้ทาบุญเอาไว้อาจจะต้องไปเกิดเป็นขอทานทางจิตวิญญาณภพของขอทานก็คือภพของเปรตนี่เองเปรตนี้เป็นพวกที่ไม่ทาบุญในขณะที่มีชีวิตอยู่เพราะมีความโลภอยากจะได้เงินมากๆจึงเสียดายไม่อยากจะทาบุญและเวลา หาเงนมาด้วยความโลภ ก, ก็หามาด้วยวิธีที่ทุจริตเช่นโกหกหลอกลวงหรือชอโกงด้วยวิธีการต่างๆอย่างที่เราเห็นทำกันในปัจจุบันนี้พวกคอร์รัปชันทั้งหลายนี้เป็นพวกที่กำลังสร้างฐานะของความเป็นเปรตขึ้นมาพวกที่โกหกหลอกลวยจนล่ารวยมหาศาลก็เป็นเช่นเดียวกัน พวกนี้เป็นพวกที่จะไปเป็นเปรตต่อไปเพราะไม่ทำบุญไม่ทาบุญแล้วยังทำบาปเพื่อความโลภทำตามความโลภอยากจะได้อะไรมาถ้าไม่ได้มาด้วยวิธีที่ถูกต้องก็จะหามาด้วยวิธีที่ทุจริตทำบาปทำกรรมด้วยวิธีการต่างๆพอตายไปก็จะต้องไปเป็นเปรต ไปเป็นขอทางทางจิตวิญญาณเพราะว่ามีเงินแล้วไม่อยอมทำบุญเสียดายอยากจะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆโดยไม่เคยคิดเลยว่าสักวันหนึ่งจะต้องตายไปและเมื่อตายไปแล้วตนจะไปเป็นอะไรก็ไม่สนใจไม่เชื่อไม่มีศรัทธาความเชื่อในคำสอนของนักปราชญ์เช่นพระพุทธเจ้าที่ส่งสอนว่าตายไปแล้วจะต้องไปเกิดใหม่ จะต้องไปเกิดที่ตามสถานที่ต่างๆต่างาเหตุคือการกระทำในปัจจุบันทำบุญหน้าบาปได้ตายไปก็จะไปเกิดสวรรค์ในบนสวรรค์ชำระใจให้สะอาดได้ก็ไปพระนิพพานถ้าไม่ทำบุญทำแต่บาปตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายแล้วแต่บาปกรรมที่ทํามานี้ มีความหนักมีความเบามากน้อยเพียงไรทำด้วยสาเหตุอันใดถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้เช่นทำมาหากินด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้ตายไปก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉางถ้าทำบาปเพราะความโลภอยากรวยมากๆตายไปก็จะต้องไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเลียดแค้น ตายไปก็จะต้องไปตกนรกนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ส่งรู้ส่งเห็นกันคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงเป็นเหมือนกันไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ในยุคใดสมัยใดคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็จะส่งสอนเหมือนกันสอนอยู่ที่สข้อนี้คือหนึ่ง ทำบุญ 2. องละการกระทำบาปสา 3. ชาระให้จิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ดังนั้นพวกเราไม่ต้องมารอเวลาไปพบกับพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ให้เสียเวลาไปต่อไปเพราะเจอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ท่านก็จะสอนคำสอนแบบนี้เหมือนกันและกว่าองค์ใหม่จะมาตัดสรุปมาสอนพระธรรมนี้ก็อีกหลายกลับหลายกรด้วยกัน คาว่ากับนี้มันมากกว่าล้านปีเป็นล้านเท่าคิดดูก็แล้วกันว่าเราจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไปทุกอีกนานสักเท่าไหร่และเวลามาเกิดตอนที่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เราอาจจะไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้อาจจะมาเกิดเป็นเดรัจฉานอย่างพวกสุนัขทั้งหลายที่มาอาศัยอยู่วัดก็ได้ ถ้ามาเกิดเป็นเดรัจฉานในยุคที่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการได้พบกับพระพุทธเจ้าต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระธรรมคำสอนได้พบกับพระพุทธศาสนาจึงสามารถจะได้รับประโยชน์ได้แต่ถ้าได้พบแล้วกับไม่มีศรัทธาหรือไม่มีความขยันไม่มีวิริยะที่จะพยายามปฏิบัติผัดวันประกันพรุ่งว่า ขอไว้ก่อนตอนนี้ยังหนุ่มยังสาวอยู่ขอเที่ยวก่อนขอกินขอเล่นก่อนไว้รอให้แก่แล้วค่อยเข้ามาทำบุญราบบาปชำระใจให้สะอาดตอนนั้นอาจจะไม่มีก็ได้เพราะไม่มีใครรู้ว่าใครจะตายกันเมื่อไหร่เวลาใดคนเรา ม, มีสิทธิ์ที่จะตายได้ทุกเวลานาทีพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เตืนสติอยู่เรื่อยๆว่า เราเกิดมาแล้วมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ถ้าเราคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะอยากทำบุญขึ้นมาทันทีเช่นวันนี้ก็มียาโยมมี ม, มีมีแม่ป่วยเข้าไอซก็ขับรถมาจากกรุงเทพเพื่อมาทำบุญให้แม่เลยถ้ายังไม่มีเหตุคนเรามักจะไม่อยากจะทำกัน แต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆว่าเราอาจจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้มันก็จะทําให้เราเริ่มมีความกระตือรือร้นที่จะรีบทําบุญเพราะเวลาเราไปตายไปเราจะได้ไม่ไปลำบากนั่นเองเราจะได้ไปสู่สุขติไปสวรรค์ไปอยู่ดีกินดีกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดมาอย่างมั่งคัง่งอย่างสุขอย่างสบายถ้าไม่ทําบุญเดี๋ยวตายไปก็ต้องไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณ ต้องไปใครลอรับส่วนส่วนบุญส่วนกุศลของผู้ที่เขาทำบุญอุทิศให้นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ทรงตัดสร้แล้วนำมาเผยแร่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ยังไม่รู้ขอให้พวกเราจงเชื่อพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระองค์ใดก็ตามเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วขอให้เราปลุกศรัทธาให้เกิดขึ้น ปุกวิริยะความขยันหมั่นเพียรที่จะเร่งปฏิบัติเสียตั้งแต่บัดนี้ไปอย่าพัดวันประกันพรุ่งเ พ, พราะพวกนี้อาจจะไม่มีก็ได้วันนี้เรามีเรารีบทําเสียแต่วันนี้แล้วเราจะได้ไม่ผิดหวังเราจะได้ไม่พลาดโอกาสอันดีเลิศที่เราจะได้สามารถสร้างสิ่งที่ดีให้แก่ชีวิตจิตใจของเราคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิด หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากอบายบรรลุถึงพระนิพพานยึงขอฝากเรื่องของการมาวัดในวันพระนี้เพื่อมาทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนให้ท่านได้นาเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จ ะ, จะเจที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา